าตายท้องนาทีลอยเนื้อวารีดอกไม้แห่งการบูชาดอกบัวคู่อยู่กับความศรัทธากราบไหว้วันทานอบนพระพุทธองค์ผุดขึ้นกลางคนเป็นสายเนืนใจ สืบนื่งสายไยดอกไม้แห่งความเมตตาดอกบัวน้อมนำให้เกิดศรัทธาจนเกิดปัญญารู้ค่าในความเป็นคนตั้งผนมด้วยกายกราบไหว้ด้วยใจศรัทธานอบน้อมวันทา้า ชาพระพุทธองค์ดอกบัวคู่อยู่เคียงพรธรรมมอบถวายขึ้นบูชาตทาคตบัวคู่อยู่ในใจทุกคนดอกบัวคู่ความดี สถทาในรถพระทัรงเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นพระศ า, าสดาดอกบัวคู่สุนันทาถทวายบูชาชีวิตแทนคุณแผ่นดินตั้งผนวด้วยกายกราบไหว้ด้วยใจศรัทธา อดน้อมวันทาบูชาพระพุทธองค์ดอกบัวคู่อยู่เคียงพระทรรหมอบถวายขึบูชาตถาคตบัวคู่อยู่ในใจทุกคนดอกบัวคู่ความดี ดอกบัวคู่คนดี